วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2566วันนี้เราก็ได้มาพบกันท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นช่ำของสายฝนและชุ่มช่ำด้วยธรรมะอันประเสริฐ ของพระพุทธเจ้าการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันนั้นก็เป็นเหมือนกับการที่เรามองหน้าเราในกระจกเวลาที่เราแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็ต้องดูที่กระจกว่าเราแต่งตัวแล้วเรียบร้อยดีไหมเป็นอย่างไรบ้าง หน้าตาของเราเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ดีไหมเหมาะสมกับการลเทศะหรือไม่ถ้าเราไม่มีกระจกไว้ส่องดูหน้าดูตัวเราเราก็จะไม่รู้ว่าเราได้แต่งตัวที่เรียบร้อยหรือไม่ธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ ก็เป็นเหมือนกระจกสองตัวเราให้เราเห็นตัวเราที่แท้จริงว่าเราคือใครเราอยู่ในสถานภาพอันใด<ม>เพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นคือร่างกายนี้ความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่ตัวเรา<ม>ถ้าเราไม่มีธรรมะไม่ได้ศึกษาธรรมะ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเราจะไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะว่าตัวเรานี้คือดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณเวลาที่เรามีร่างกายเราก็เรียกเราว่าจิตใจเวลาที่เราไม่มีร่างกาย เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็เป็นดวงวิญญาณดวงใจดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณนี้มีความสามารถที่จะรู้ที่จะคิดมีความรู้สึกนึกคิดนี่คือตัวของเรา เราเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเพียงอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำกันแต่ร่างกายของเรานี้เป็นของชั่วคราว เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องถึงแก่ความตายแต่ตัวเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่มีรูปร่างจึงจึงไม่มีวันตายหมืนกับร่างกายร่างกายเป็นของที่ประดิษฐ์ขึ้นมา ด้วยการผสมของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟ<ม>แต่ใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่ไม่มีวันแตกไม่มีวันดับมไม่มีรูปร่างหน้าตา<ม>เป็นมนุษย์ล่องหนแต่มีความสามารถ ที่จะรู้ที่จะคิดที่จะจำอะไรต่างๆได้มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับร่างกายได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจคือทารู้นี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาเชื่อมต่อใหม่ เพราะใจนี้อยู่ปราศจากร่างกายไม่ได้นานๆใจต้องการร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจใจชอบรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพะต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลินกายของร่างกาย ใจเลยต้องคอยหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจอยู่เรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่ใจมาเชื่อมต่อกับร่างกายใจก็ต้องมาทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ เพราะว่าร่างกายนี้จะต้องมีการดูแลเลี้ยงดูอยู่อย่างตลอดเวลาร่างกายขาดน้ำขาดลมขาดอาหารไม่ได้เวลาที่ขาดสิ่งที่จำเป็นต่อการดํารงชีพของร่างกายร่างกายก็จะแสดงอาการทุกข์ขึ้นมา ใจที่มาครอบครองร่างกายก็เลยต้องทุกข์ไปกับร่างกายนอกจากความทุกข์ที่เกิดจากการดำรงชีพของร่างกายแล้วยังมีความทุกข์ของร่างกายเองอยู่ด้วยคือร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไป การที่มามีร่างกายนี้ก็เลยเป็นการมาหาความทุกข์กันไม่ใช่มาหาความสุขกันนี่คือเรื่องราวของใจของพวกเราทุกคนใจของพวกเรานี้เป็นเหมือนกับนักโทษที่ ถูกกักขังอยู่ในเรือนจำเรือนจำของร่างของใจนี้มีชื่อว่าสังสารวัตรหรือวัตตสังสา ร, รเป็นที่กักขังดวงวิญญาณต่างๆอย่างของพวกเรารเรือนจำที่กักขัง ดวงวิญญาณต่างๆนี้มีแบ่งไว้เป็นสามแดนด้วยกันสามเขตด้วยกัน<ม>เรียกว่าไตภพไ<ม>ตรภพนี้ได้แก่ภพที่หนึ่งเรียกว่ากามภพภพที่สองคือรูปภพภพที่สามคืออรูปภพภพทั้งสามนี้ เป็นที่กักขังดวงวิญญาณของสัตว์โลกคือถ้ารู้ที่ถูกกักขังเพราะความอยากผู้ที่ถูกกักขังอยู่ในกามภพคือผู้ที่มีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะ คือกามคุณทั้งหรูปเสียงกลิ่นรสผลทพานี้เรียกว่ากามคุณหรือการเสพการเวลาเสพกามก็คือเวลาเสเปลรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ่าถ้ามีความอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ่าก็จําเป็นที่จะต้อง มาเกิดในการมาพบในการมาพบนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่เรียกว่าสุขติคือส่วนที่มีแต่ความสุขหรือเรียกว่าสวรรค์แล้วอีกส่วนหนึ่งนี่เรียกว่าทุกขติคือเป็นที่มีแต่ความทุกข ได้แก่อบายทั้งสี่อบายก็คือพบชาติของดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ได้แก่พบชาติของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกนี่เรียกว่าทุกขติอยู่ในการมาพบ ส่วนสุคตินี้ก็อยู่ในการมาพบแต่เป็นพบของขอ ง, ของสวรรค์เป็นพบของเทวดาการที่จะอยู่ในิ่งไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทาว่ากระทำบุญหรือกระทำบาปถ้ากระทำบาปก็จะต้องไปอยู่ในซีของอบายหรือทุคติ อยู่ในสีขสนขขส่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกแต่ถ้าทำบุญก็จะไปอยู่ในสี่ของเทวดานี่คือกามพบคือที่เกิดที่อยู่ของสัตว์โลกของดวงวิญญาณที่ยังชอบเสพกามอยู่ ยังชอบหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะคื อ, อยังชอบดูชอบฟังชอบลิ้มรสชอบดมกลิ่นชอบสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสทางร่างกายถ้าหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพ ะ, ะ, ะก็จะติดในรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะ รูปเสียงกลิ่นรสผดทพานี้เป็นเหมือนยาเสพติดเวลาเสพแล้วมันจะติดจะต้องหามาเสพเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่ไม่ได้เสพจะมีความทุกข์ทรมานใจจะมีความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาหงุดหงิดลำคาญใจจึงต้องคอยไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพามาเสพเรื่อยๆ และการที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพ่าได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็เลยต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆได้ร่างกายนี้มาพอโตขึ้นก็ใช้ร่างกายนี้พาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพ่าชนิดต่างๆหาไปจนวันตาย ตายไปแล้วก็ไปหาใหม่อีกช่วงเวลาที่ตายไปช่วงที่ไม่มีร่างกายก็จะไปอยู่ที่สุกคติหรืออยู่ที่ทุกขติขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่มีร่างกายนี้ทำอะไรไว้บ้างทำบุญหรือทำบาปถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญ บาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ไปอยู่ในซีดของทุกขติให้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์หรือถ้ามีร่างก า, กายก็มีร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน<ม>จะยังไม่ได้ร่างกายของมนุษย์<ม>ต้องรอไปใช้บาปให้มันหมดกำลังก่อนพอหมดกำลังแล้วมันถึงจะได้กลับมา เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในทางตรงกันข้ามถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบุญจะมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงดวงวิญญาณนี้ให้ไปอยู่ในสวรรค์ให้อยู่เป็นเทพชั้นต่างๆแล้วพอกำลังของบุญหมดลงก็จะรอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะกลับมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายใหม่ทุก์กับการเิ่นลนต่อสู้กับอุปสารคต่างๆของชีวิตต่อสู้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องมาทุก์กับความแก่ ทุกกับความเจ็บทุกข์กับความตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดวงวิญญาณของผู้ที่เสบรูปเสียงกลิ่นรสก็จะต้องมาเกิดอยู่ในกามะพภส่วนผู้ที่ไม่ได้เสภกามคือพวกนักบวช ท, ทั้งหลายพวกนักบวชนี้เขา มีวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะคือเขาเสบความสงบของใจที่เรียกว่าสมาธิสมาธินี้ก็มีสองระดับด้วยกันความสงบของสมาธิมีสองระดับระดับแรกเรียกว่ารูปประชาน ระดับที่สองเรียกว่าอารูปฌานรูปฌานนี้มีความสุขมีความสงบน้อยกว่าความสุขความสงบของอรูปฌานและสิ่งที่จะทําให้ใจสงบได้ก็คือการมีสติมีสติที่ต่อเนื่องสติสัมปชัญญะผู้ที่ต้องการหาความสุขจาก ความสงบของสมาธิก็จะไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้ก็จะไปเป็นนักบวชกันไปบวชในลัทธิต่างๆที่สอนให้ถือศีลให้ละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กับใครไม่ให้หาความสุขจากเพศสัมพันธ์ไม่หาความสุขจากการดูหรือฟังพวกบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการเสพจากการรับประทานหรือจากการดื่มเครื่องดื่มหรืออาหารชนิดต่างๆไม่หาความสุขจากรูป บันเทิงต่างๆเสียงบันเทิงต่างๆพวกนี้ก็จะไปอยู่ตามที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดเช่นปัจจุบันเราก็มีพวกที่เป็นนักบวชคือพระในพระพุทธศาสนาพระในพระพุทธศาสนานี้ก็จะไม่แสวงหาความสุขแบบคารวะทุกของเลือน คาราวาดยังหาความสุขจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดแต่พระนักบวชนี้จะไปหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดและเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่า และปราศจากความทุกข์มีความทุกข์น้อยกว่าความสุขของรูปเสียงกินลดผลสภา mm hmm. พวกนี้ก็เวลาตายไปถ้าหาความสุขจากรูปประชาญ mm hmm. ก็จะไปเกิดในรูปภพคือภพของรูปประพรม mm hmm. พรนี้มีสองระดับระดับรูปประพมกับอรูปประพม พรมนี้มีความสุขมากกว่าเทพผู้ที่สามารถเข้าสู่อรูปฌานได้สามารถหาความสุขจากการเข้าอารูปฌานได้พวกนี้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปประพรมโดยอยู่ในอรูปประพบแต่ ภพของรูปประรมและภพของอรูปประพรมนี้ก็เป็นภพชั่วคราวเพราะว่าบุญหรือกําลังของสติของสมาธิที่ส่งให้จิตไปสู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมและอรูปประพรมนี้ก็เป็นของชั่วคราวกําลังของสติหรือสมาธิ เมื่อได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมศักระยาหนึ่งแล้วก็จะเสื่อมลงก็จะหมดกำลังพอหมดกำลังจิตที่ยังมีกามตันหาอยู่ยังไม่ได้รับการกำจัดเพียงแต่ได้รับการกดเอาไว้ด้วยกำลังของสมาธิก็จะดึงให้ ดวงวิญญาณหรือดวงจิตนี้จากสวรรค์ชัยพรหมให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่พวกนี้พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้ก็จะติดมีนิ ส, สัยเดิมอยู่ติดมาด้วยคือนิ ส, สัยหาความสุขจากการทำใจให้สงบพวกนี้กลับมาเกิดก็มักจะไปบวชใหม่ไม่สนใจกับการหาความสุข ทางรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พอเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะไปแสวงหาที่อยู่ที่สงบไปแสวงหาความสุขจากการนั่งสมาธิต่อเพราะว่ามีกำลังของสติข้างๆเหลืออยู่และมีนิสัยเดิมที่ไม่ชอบหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ้าชอบหาความสุขจากการทำใจให้สงบมากกว่าพวกนี้ก็จะไปเป็นนักบวชกันสังเกตดูคนบางคนเกิดมานี่สามารถบวชตั้งแต่เป็นเนนได้บวชเป็นเนนจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็บวชเป็นพระต่อโดยกระทั่งตายไปอยู่ใช้ชีวิตเป็นนักบวชตลอดเพราะเขามีความถนัด ในการที่จะทำใจให้สงบมีความถนัดที่จะหาความสุขจากการเข้าสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆสำหรับการที่จะให้เขาไปหาความสุขจากรูปเสียงกินน่นรสนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดยุ่งยากต้องมีอะไรปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ถ้าอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกแต่บางทีรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆบางทีก็ต้องไปหาเงินหาทองก่อน<ม>ก็ต้องเหนื่อยยากกับการไปหาเงินหาทองเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วถึงจะได้เอาเงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสกกันตรงนี้เขาก็เลยหาความสุขจากการไปอยู่คนเดียวที่สงบ นั่งหลับตาควบคุมใจให้นิ่งให้สงบเขาก็สามารถมีความสุขได้แล้วก็มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้เขาจะไม่ค่อยใช้เวลาไปกับการหาสตังหาเงินหาทองเขาเอาเวลามาหาสติกันเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าไม่มีสติ จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้จะไม่สามารถทำให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้ถ้าไปหาสตังยิ่งไปทำให้ใจวุ่นวายอย่างเพราะเวลาหาสตังก็ต้องคิดถึงวิธีการต่างๆคิดถึงวิธีต่อสู้คิดถึงวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการหาสตัง กว่าจะได้สตังมานี้บางทีจิตก็เครียดแทบเป็นแทบตายพอได้สตังมาก็เลยเอาเวลาไปหาความสุขชั่วคราวเอาเงินไปซื้อความสุขไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆพอเงินไม่พอใช้ก็ต้องดิ้นรนไปหาเงินให ม, มพ่พวกที่เขาหาความสุขจากความสงบเขาหาสติพอรู้ว่า ส ต, ตางนี้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้สิ่งที่จะทำใจให้สงบได้คือสติต้องมีสติรละลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง mm. เช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธ mm. หรือ mm. การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นจนหลับ mm. จะต้องฝึกสติตลอดเวลา mm. เพื่อไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งให้ฟุ้งซ่านขึ้นมา แล้วเพื่อเวลาที่นั่งสมาธิเวลานั่งสมาธินั่งดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อไม่คิดถึงเรื่องอื่นนั่งสมาธิไม่นาน5นาที10นาทีใจก็เข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขได้ mm. และเป็นความสุขที่ดีกว่าวิเศษกว่า ความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงจิตลดผลพระถ้าจะพูดเปรียบเทียบก็คือว่าความสุขของที่ได้จากความสงบนี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่สุดยอดของของกามาสุขเช่นสุดยอดของการมาสุขเป็นอย่างไร ก็เวลาที่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือได้รับรางวัลเกียรติยศได้รับรางวัลตุ๊กตาทองหรือได้เป็นมหาเศรษฐีอะไรดังนี้ความสุขสุดยอดทางการมาคุณหนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพวกที่ได้ความสุขจากความสงบแล้วจึงจามัก จะไม่ไปหาความสุขทากายมาสุขแต่การหาความสุขทั้งสองรูปแบบนี้ด้วยสติหรือด้วยสตังมันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วดวงวิญญาณก็จะต้องไปเกิดในภพต่างๆถ้าถ้าเสพกามก็จะไปเป็นดวงวิญญาณในกามมาพบเป็น ไปสู่สุคติถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปไปสู่สุทุกคติถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญแล้วพอได้ไปเสบบุญเริดไปใช้บาปบดแล้วกบาปหรือบุญไม่มีกำลังที่จะส่งผลต่อจิตใจแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำบาปมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทุตภะใหม่ ส่วนพวกที่เสพลูกประชานารูปประชาน อ, อันนี้ก็เหมือนกันพวกนี้เขาก็ตายไปเขาก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพแล้วพอสมาธิที่ส่งให้เขาไปอยู่ในพรหมโลกนี้เสื่อมลงเขา ก, ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาปฏิบัติธรรมใหม่มานั่งสมาธิใหม่ เาก็ยังเ ย, ยวเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ในตายพบอยู่ mm. ก็ยังถือว่ายังติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ mm. การที่จะหลุดออกจากการเวียนไหว้ตายเกิดในตายพบนี้ได้ mm. จาเป็นที่จะต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดและมาค้นพบทางที่จะพาให้ไม่ต้องกลับมาเวียนไหว้ตายเกิด ถ้ายังไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยสัตว์โลกคือดวงวิญญาณทั้งหลายอย่างพวกเราในขณะนี้พวกเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพอยู่ถ้าเราติดกับการเสพกามมีกามาตัญหามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเราก็จะติดอยู่ในกามะภพถ้าเราติดอยู่กับการเสพสมาธิในรูปแบบของรูปฌานเราก็จะติดอยู่ในรูปภพ ถ้าเราติดอยู่ในอรูปฌานเราก็จะติดอยู่ในอรูปภพเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้ไปทุกครั้งที่มาเกิดก็ต้องมาแก่แร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะต้องเจอกับคุกเจอกับความทุกข์ต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเสดกามเนื้อเสพรูปเสียงกลิ่นรเสเศรษสมาธิเศรรูปฌานหรืออรูปฌาน ก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกาย่เพียงแต่ผู้ที่เสพรูปประฌานรูปประชานะปปชานี้จะทุกข์น้อยกว่าเพราะสามารถเข้าสมาธิได้เวลาที่ร่างกายมีอาการเจ็บปวดเวลาที่ร่างกายตายจิตสามารถแยกตัวออกจากร่างกายได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมาทุกข์กับความตายของร่างกายแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ เพราะว่ายังมีความอยากที่จะเสพ ร, รูปประจานและอรูปประจานอยู่และยังมีการการมตัญหาที่ถูกกดไว้ด้วยกําลังของสมาธิที่เวลาที่กําลังของสมาธิอ่อนลงก็จะดึงให้ดวงวิญญาณนี้ลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมพเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็บางครั้งก็อาจจะไปเสกการม แต่พอเสกกรรมแล้วก็รู้ว่ามันไม่สุขแท้มันเป็นทุกข์ก็จะไปเสบรูปประชานหรืออารูปประชานแทนก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปในตายพบผู้ที่มีกรร ม, มาตัณหาก็จะไปเกิดในกรรมมาพบผู้ที่มี รูปะภาวะตัณหาก็คือความอยากเสพรูปฌปานก็จะไปเกิดในรูปภพผู้ที่มีวิภาวะตัณหาก็คือผู้ที่อยากจะเสพ ป, ประรูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปจนกว่าจะไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือเจอพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ค้นพบว่าการเสภความสุขทั้งสามรูปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกามะคือกามะคุณหหรือการเสบรูปประชานหรือการเสบรูปประชานนี้จะเป็นตัวที่ดึงให้จิตนี้ยังต้องติดอยู่ในตายพบอยู่ และการที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้หยุดความอยากที่จะเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสแบบถาวรคือการหยุดการเสพกามหรือเสพรูปประชาณรูปประชานนี้มีหยุดแบบชั่วคราวและหยุดแบบถาวรการหยุด แบบชั่วคราวก็คือใช้สติห้ามใจเช่นเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรเราก็ใช้สติพุทโธพุทโธนั่งสมาธิหลับตาเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งพอใจสงบความอยากที่จะไปเสพก็จะหยุดไปชั่วคราวแต่มันไม่หยุดแบบถาวรพอเราออกจากสมาธิมา เดี๋ยวพอเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเราก็อดที่อ ย, อยากไม่ได้ยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะไปดูไปฟังไปกินไปเดิมไปซื้อของอะไรสวยๆงามๆ ม, มาใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาเสษอันนี้มันจะไม่มีวันหมดถ้าใช้สติใช้สมาธิเพราะมันเป็นการระ ง, งับชั่วข่าวไม่ได้เป็นการทำลายความอยากอย่างถาวร วิธีที่จะเจริญที่จะทำลายความอยากอย่างถาวรนี้ต้องเอาปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบพระเจ้าส่งค้นพบว่ารูปเสียงกิรลยที่เราอยากจะเสบนี้มันเป็นตตรลักษณ์มันมีคุณสมบัติสามประการด้วยกันคือหนึ่งมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว เวลาได้มามันก็ให้ความสุขกับเราพอเวลามันจากไปมันก็ทําให้เราทุกข์กันแล้วเราก็ห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้เพราะของทุกอย่างมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเพราะมันมีการเกิดแล้วมันก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดามเวลาที่เราได้ของที่เรารักเราชอบมาเราก็มีความสุขกันพอเราสูญเสียของที่เรารักเราชอบไป เราก็ล้องหยมร้องไห้กันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องจากเราไปทำไมเราห้ามเขาไว้ไม่ได้ทำไมเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดก็เพราะว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่เรามาเสกกันมาหาความสุขกันถ้าเรายังไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงอ น, นิจจง เป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาเป็นของที่เราไม่สามารถเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือถ้าเราไม่ถ้าเขาไม่จากเราไปก่อนบางทีเราก็ต้องจากเขาไปก่อนเพราะร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นของชั่วคราว เป็นของที่จะมีต้องมีวันสิ้นสุดลง น, นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่ควรไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆของต่างๆในโลกนี้ที่เราเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยหูได้ยินได้ฟังด้วยหูอะไรทานองนี้อย่าไปหาอย่าไปเอาเขามาให้ความสุขกับเราเลยเพราะถ้าเราได้เขามาแล้ว มันจะทำให้เรานี้ทุกข์มากกว่าสุขเพราะว่าเราก็พอมีอะไรที่เราลักเราชอบเราก็จะห่วงแล้วเราก็จะห่วงล้วเราก็จะกังวลทั้งๆ ท, ที่สิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราทำไมมันกลับมาทำให้เรากลับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกทำไมไม่ให้เรามีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวได้เขามาแล้วเราน่าจะมีแต่ความสุขแต่ที่ไหนได้เรากับต้องมาทุกข์กับเขาอีก ทุกข์เพราะห่วงทุกข์เพราะห่วงทุกข์เพราะกังวลทุกข์เพราะเรารู้อยู่ในใจลึกๆว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีดับไปเป็นอนิจจังไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้มันเป็นอนัตตาแต่เรามักจะไม่คิดกันไม่มองกัน เวลาที่เราเห็นอะไรเราเราอยากจะได้อะไรเราลืมอมนิจังทุกขังอนัตตาไปเราจะเราจะไปคิดว่าเป็นนิจังสุขขังอัตตาเราคิดว่าของที่เราอยากได้อยากมีนั้นจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเป็นเป็นนิจจังไม่มีการสิ้นสุดไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะให้ความสุขกับเราตลอดเวลาเป็นสุขขงังเป็นอัตตาเป็นของเรา ทุกสิ่งเวลาเรามองอะไรในโลกนี้เราจะมองแบบนั้นกันทัานเราจะมองทุกอย่างว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตากันเราเลยไปหาไปไปหาไปเสพไปเอามาครอบครองกันแต่พอเอามาครอบครองแล้วถึงจะไปเจอความจริงภายหลังว่าเขาไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่างที่คิดเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ความอยากความผูกพันของเรานี้มันมีกำลังมากทำให้เรานี้ไม่สามารถปล่อยวางได้ไม่สามารถละเขาได้ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าทุกข์กับเขาอยู่ก็ยังอดที่จะทุกข์ไม่ได้บางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับกับคนนั้นกับคนนี้ เพราะเรายังมีความอยากยังมีความหวังว่าเขาจะให้ความสุขกับเราอยู่แต่ความจริงแล้วเขากำลังให้เราคา้ให้ความทุกข์กับเราอยู่อย่างอย่างอย่างชัดเจนแต่เราก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากของเราได้ <Yeah. S 2> นั่นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ปฏิบัติ uh huh. ถ้าเรามาฝึกมาปฏิบัติมาฝึกนั่งสมาธิทาใจให้สงบ uh huh. การนั่งสมาธินี้จะทำให้เรามีกำลังที่จะปล่อยวางความยึดติดในสิ่งต่างๆได้เวลาจิตเราสงบนี้จิตเราจะเป็นกลางจะเฉยๆจะไม่ยินดียินร้ายกับอะไรอะไรจะมาอะไรจะไปจะดีจะชั่วอย่างไรเราจะไม่เดือดร้อนเราจะเฉยๆเราจะปล่อยให้เขามาให้เขาไปตามเรื่องของเขาได้ เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาได้ดนั้นการที่เราจะสามารถที่จะตัดความอยากในกรารมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑได้อย่างถาวรนี้เราจำเป็นที่จะต้องเบื้องต้นต้องสร้างกำลังหยุดให้กับใจก่อนกำลังที่จะหยุดใจก็คือสมาธิหรือสตินี่ เ, เราต้องสามารถหยุดความคิดของเราให้ได้ ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากของเราได้แล้วพอเรามีปัญญามองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับแล้วก็มันเป็นของที่เราควบคุมบังคับห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นตายักในของที่เราอยากได้ ถ้าเรามีกำลังของสมาธิเราก็จะสามารถหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลพัฒได้นี่คือเบื้องต้นในการที่เราจะตัดการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องตัดการมาเกิดในกามมาพบก่อนเราต้องหยุดความอยากในกามก่อนหยุดในรูปเสียงกลิ่นลดและการที่เราจะหยุดรูปเสียงกลิ่นลดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้ เราต้องมีสมาธิก่อนเราต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือเพราะหนึ่งสมาธินี้ให้ความสุขเรามากกว่าความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสองมีกําลังที่จะทําให้เราสู้กับความอยากได้หยุดกับความอยากได้แต่สมาธิตามลําพังนี้ก็จะหยุดความอยากได้เป็นชั่วคราวถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรนี้เราต้อง มีปัญญาด้วยมีปัญญาก็คือมองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มันเป็นไตรลักษณ์นอนิจจังทุกขังอนัตตา <Yeah. S 2> ถ้าเรายังมองไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องพยายามศึกษาไปว่าอนิจจังเป็นอย่างไร <Yeah. S 2> มีอะไรบ้างที่อยู่กับเราแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดมีไหมเ <Yeah. S 2> งินทาวนี้ มีใครรับประกันได้ว่ามันจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดได้หรือเปล่าคนที่เราอยู่กับเราด้วยคนที่ให้ความสุขกับเราเนี่เขาจะอยู่กับเราไปตลอดได้หรือเปล่าหรือเขาจะดีจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือวันดีคืนดีเขาอาจจะเปลี่ยนไปจากการที่เขารักเราชอบเราเขาอาจจะกลับกลายเป็นเหียดชังเราไม่ชอบเราขึ้นมาก็ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต้องพิจารณาวิเคราะห์ว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ เ, เหมือนพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปตั้งไว้สิบปียี่สิบปีก็ยังเป็นพระพุทธรูปอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เปลี่ยนแต่เพียงแต่เรามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเช่นก้อนหินของโลหะมันเปลี่ยนช้ากว่าแต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องผุพังไปเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลง เราต้องพยายามวิเคราะห์พยายามดูการเปลี่ยนแปลงให้เห็นให้เห็นให้ชัดเห็นว่าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปของหไหม้ของใหม่ๆซื้อมาใหม่ๆมันดีไปหมดพอใช้ไปใช้เปล่าเดี๋ยวมันก็เก่าพอมันเก่าแล้วมันก็เริ่มเสียเริ่มมีปัญหาขับรถซื้อรถใหม่มาก็ขับอย่างสบายไปสักระยะหนึ่ง เดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาละลดเสียแล้วต้องไปซ่อมนะมันไม่ใช่จะเป็นใหม่ไปตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสภาพของความเสื่อมเรียกได้ว่าอนิี้จังอันนี้จังนี้ก็คือเป็นสภาพที่ไม่เหมือนเดิมไม่คงที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราต้องวิเคราะห์อย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างกับคนที่เรา เกี่ยวข้องด้วยที่ให้ความสุขกับเราวันนี้เขาให้ความสุขกับเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เขาอาจจะตายจากเราไปก็ได้เนื่องจากการที่เขาชอบเรารักเราเขาอาจจะกลับมาเกลียดชังเราขึ้นมาก็ได้สิ่งเหล่านี้ไม่กล้าพวกเราไม่กล้าคิดกันแล้วเราไปคิดว่ามันคิดแล้วจะทาให้เป็นอัปมงคลจะทำให้เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นมา เมื่อเราไม่คิดพอเวลาเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมาเราก็ทำใจกันไม่ได้เพราะเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อน mm. แต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนเราก็จะเตรียมทําใจรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้ mm. เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็จะไม่สะทกสะท้านไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ผูกความหวังไว้กับกับสิ่งเหล่านั้นว่าจะต้องให้ความสุขกับรเราไปตลอดเราก็จะคิดเผื่อไว้ว่าวันดีคืนดี S <S สิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็อาจจะหยุดให้ความสุขกับเราได้เพราะมันมีการเปลี่ยนไปหรือไม่มีการสิ้นสุดลง <S 2> <S 2> ให้มองอย่างนี้ว่ามันเป็นอนิจจังแล้วก็มองว่ามันเป็นอนัตตาคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เสมอไปแม้ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ร่างกายของเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขมันก็เป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เช่นเดียวกัน มันเกิดแล้วมันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆโตไปจนกระทั่งโตเต็มที่แล้วพอโตเต็มที่แล้วมันก็เริ่มนับถอยหลังเริ่มแก่ลงไปเริ่มชราภาพลงแล้วก็เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเบียดเบียนจนกระทั่งในที่สุดมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ตายไปเี่ยเราต้องวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมา ปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเองปัญญามันต้องเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการพิจารณาไต่ตรองด้วยเหตุด้วยผลตามหลักของความเป็นจริง <c oughs> เหมือนกับทาไมเราต้องไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนกันเพราะเราต้องการความรู้ <c oughs> อยู่บ้านเฉยๆความรู้ไม่เกิดหรอกแต่ถ้าเราไปโรงเรียนเราก็จะมีครูมีอาจารย์สอนวิชาความรู้ต่างๆให้เรารู้ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้จดจา ถ้าเราก็จะได้มีความรู้มีปัญญามีความฉลาดขึ้นมามปัญญาทางมัทธิสศาสนาก็เช่นเดียวกันบางท่านอาจจะเคยได้ยินนึกคิดว่าพอได้สมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นนี่มันไม่เกิดหรอก<ม>เพราะสมาธิมันก็กเป็นสมาธิสมาธิมันจะแปลงเป็นปัญญาไม่ได้<ม>แต่สมาธินี้จะสนับสนุนให้เราใช้ปัญญาในการหยุดความอยากของเราได้ ถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่เป็นทุกข์เราจะไม่มีกำลังหยุดมันได้หยุดความอยากมันได้เพราะว่าเราไม่มีสมาธิสมาธินี้เป็นกำลังของใจที่จะหยุดความอยากแต่ปัญญานี้เป็นผู้ที่จะสอนว่าทำไมเราไม่ควรที่จะไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะถ้าไปอยากพอได้มาแล้วสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรานั้น ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะทามันก็จะเปลี่ยนไปมันจะหมดไปแล้วความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปทำไมเราถึงต้องร้องห่มร้องไห้กันทั้งที่เราได้สิ่งต่างๆมาที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราแต่พออยู่กับสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราใหม่ๆก็ให้ความสุขกับเราอยู่แต่อยู่ไปอยู่ไปทาไมกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ เพราะสิ่งที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไปเนื้อมันหมดไป mm hmm. นี่คืออนิจจังต้องมองให้เห็นว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีดีมีชั่วสามมันดีสี่วันไข้เราไ ป, ไ, ปไม่สามารถไปห้ามไปบังคับเขาได้เราไม่ควรที่จะไปหวังพึ่งเขาให้ความสุขกับเราตลอดเวลาเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปพึ่งเขาดีกว่าอย่าไปมีเขาดีกว่าเรามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าทําใจให้สงบมีสมาธิเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราคือความสงบความสงบนี้มันก็มีสองระดับด้วยกัน ความสงบแบบชั่วคราวและความสงบแบบถาวรความสงบแบบชั่วคราวนี้ก็เกิดจากการใช้สติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ใจนิ่งให้ใจสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าถ้าต้องการที่จะได้ความสุขจากสมาธิที่เป็นแบบถาวรนีก็ต้องเปลี่ยนวิธีด้วยการใช้ปัญญา ปัญญาให้วิเคราะห์ให้เห็นว่าแม้แต่ความสงบความสุขของสมาธิก็เป็นอนิจจงเหมือนกันต้องเข้าสมาธิถึงจะมีความสุขพอจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดปุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความสงบก็หายไปถ้าอยากจะให้ให้ใจนี้สงบอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าความสุขอย่างถาวรนี้เกิดจากอะไร ก็เกิดจากการไม่มีความอยากเห้นถ้าเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากความสงบอยู่เราก็ต้องหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากความสงบนี้เพราะว่าความสงบนี้ยังเป็นความสงบแบบชั่วคราวแบบแบบอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่เวลาไม่สงบใจเราก็ทุกข์เราก็ต้องคอยเข้าสมาธิอยู่เรื่อยวิธีที่จะทําให้เรา มีความสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิมีความสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็มาหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากความสงบอันนี้นเป็นขั้นที่หลังจากที่เราเลิกการเสพกามได้แล้วถ้าเรายังอยู่ในขั้นการเสพกามอยู่นี้เรายังต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เราเลิกเลิกการเสพ รูปเสียงกลิ่นลดได้เลิกความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้เพราะว่าเราต้องอาศัยสมาธิให้ความสุขกับเราแทนแต่สมาธินี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันพอเราเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้แล้วเราก็มาติดสมาธิกันนี่ถ้าเรายังติดสมาธิอยู่เราก็ยังจะต้องทุกข์อยู่เพราะว่าสมาธินี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วมันก็จะทำให้เรายัางติดในพรหมโลกอยู่ติดอยู่ในรูปภพกับอรูปภพอยู่ถ้าเราติดรูปประชานเราก็ยังยังต้องไปเกิดในรูปรูปภพถ้าเราติดในอรูปปัจานเราก็จะไปเกิดในอรูปภพอยู่ยังไม่ได้ออกจากตายภพการที่เราจะออกจากตายภพได้นี้เราต้องหยุดความอยากเสพสมาธิอยากเสพรูปปานหรืออรูปปัจา ด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาว่ารูปฌานหรือรูปฌานนี้ก็เป็นตายักเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันอันนี้ถ้าเห็นแล้วต่อไปก็ไม่ต้องเสกไม่ต้องเข้าชายไม่ต้องเข้ารูปฌานอยู่เฉยๆตัดความอยากหยุดความอยากด้วยปัญญาพอความอยากถูกละงับด้วยปัญญาทุกครั้งไป พอความอยากไม่มีจิตก็จะสงบแบบที่ไม่ต <Hyung> <op'> <Yep. S 1> ้องเข้ารูปประชานไม่ต้องเข้าอารูปประชานสงบแบบอยู่นอกรูปประชานความสงบที่อยู่นอกรูปแบบนอกรูปประชานอารูปประชานนี้เราเรียกว่านิพพานเนี่ยนิบานังอยู่นอกไตภพอยู่นาคกามมสุขอยู่นอกรูปประชานอยู่นอกอารูปประชาน ไม่เสพกามาสุขไม่เสพรูปปัจชานไม่เสพอารูปปัจจานใจที่ไม่มีความอยากจะเสพความสุขทั้งสามรูปแบบนี้ mm. ก็จะไม่ติดอยู่ในไตพบไม่ติดในสังสารวัตรไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย mm. อันนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ส่งคนพบความจริงอันนี้ว่าการที่เราจะ หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพได้เราต้องละตันหาทั้งสามได้คือกามาตันหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคือการอยากหาความสุขจากกามาพบนั่นเองเนี่ยพบที่เราอยู่นี้เป็นการมาพบเนี่ยเป็นพบที่เรามีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะให้เสกันแต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วก็ติด พอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังติดรูปเสียงกดลิ่นรสอยู่ก็จะไปหาร่างกายมาเกิดใหม่แล้วก็มาเสพใหม่ไม่ว่าจะเสพกี่รอบก็ตามกี่ภพกี่ชาติก็ตามความอยากที่จะเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสนี้ก็จะไม่มีวันหายไปไม่มีวันหมดไปมันไม่ได้หมดไปเพราะเราทำตามความอยากมันจะหมดได้ต่อเมื่อเราหยุดความอยากไม่ทาตามความอยาก เช่นที่เราอยากจะดื่มสุราอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นว่าสุรานี่มันเป็นทุกข์มากกว่าวเป็นสุขเราก็ฝืนมันทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุราเราก็ฝืนถ้าถ้าเรามีสมาธิก็จะฝืนง่ายถ้าเราเข้าสมาธิเป็นเวลาอยากดื่มสุราใจมันหงุดหงิดลำคาญเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธทําใจให้นิ่งพอใจะให้นิ่งปับ๊บความอยากจะดื่มสุรามันก็หายไป พอออกจากสมาธิมาความอยากที่จะเดืมสุราครั้งต่อไปมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะหายไปเพราะว่าเรามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีปัญญาก็คือเห็นว่าการดื่มสุรานี้มันเป็นเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขความสุขมันได้เพียงประเดียวประดาวในขณะที่ดื่มแต่ดื่มแล้วมันก็จะติด เวลาที่ไม่ดื่มก็จะเกิดความทุกข์คือความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาอันนี้ก็คือการเลิกการมาสุขการเลิกการเสพการนี้ก็ต้องมีสมาธิก่อนต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบใจถึงจะมีกำลังสู้กับความอยากได้เวลาเกิดความอยากจะดื่มสุลาอยากจะไปเสพ ร่วมเพศสัมพันธ์กับใครอยากจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆอยากจะไปดูหนังฟังเพลงหรืออยากจะทำอะไรทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เราก็เปลี่ยนวิธีจากการไปเสบรูปเสียงกิจเลิลไปนั่งสมาธิกันไปทำใจให้สงบกันพอใจสงบเราก็จะหยุดความอยากในแต่ละครั้งได้แล้วถ้าเรามีปัญญามันก็จะทาให้เราไม่อยากจะเสบเราไม่กล้าเสบ พราะเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เหมือนกับถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราที่ที่เรากําลังดื่มอยู่นี้เขาคนพบว่ามีสารมะเร็งสารก่อมะเร็งเนี่ยแล้วออยประกาศว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ถ้าดื่มต่อไปนี้คนดื่มจะต้องเป็นมะเร็งเนี่ยพอเรารู้แค่นี้เราไม่หลื่มนะใช่ไหมเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้แหละคือปัญญาดื่มดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้แล้วต่อไปจะเป็นมะเร็ง ถ้าเขามีประกาศออกมาทางโฆษณานี้รับประกันได้ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ขายไม่ออกจะไม่มีใครกล้าดื่มต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าประกาศว่าของทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเสพกันนี้มันมีสารก่อมะเร็งใช่ไหมมันมีสารก่อความทุกข์ความทุกข์ทางใจแต่พวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งนี้ พอเรายังฝืนเส็กันเสบรูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วก็มาล่องหม่มล้องห้างกันในภายหลังจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสบได้แหละเพราะรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราห้ามมันไม่ให้เป็นไปตามที่เราไม่ต้องการไม่ได้มันจะเป็นอะไรเมื่อไหรมันก็เป็นของมันไป น, นี่คือปัญญาเราต้องมีปัญญา เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสหรือกรมมุคลทั้งห้านี้เป็นไตลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ต้องมีกำลังของสมาธิ<ม>ที่จะหยุดที่จะใช้ทดแทนความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินไปดื่มไปไปดูมหาสศ บ, บันเทิงต่างๆแล้วก็ไปนั่งสมาธิแทน ทุกครั้งทำอย่างนี้แล้วความอยากที่จะไปเที่ยวมันจะน้อยลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะหยุดไปถ้ามีปัญญามันก็จะหยุดได้เร็วเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไปแล้วมันติดเที่ยวแล้วมันติดพอไม่ได้เที่ยวแล้วมันจะทุกข์เนี่ยให้คิดอย่างนี้ก็จะสามารถเลิกเสพกามได้แต่พอเราเลิกเสพกามเราก็มาติดสมาธิสมาธินี้ถ้าเรายังติดสมาธิอยู่ มันก็ยังทำให้เราติดอยู่ในรูปภพอรูปภพอยู่ออกจากการมาพบได้ก็ไปติดอยู่ในรูปภพกับรูปภพอยากจะอยากจะออกจากรูปภพอยากจะออกจากรูปภพก็ต้องเห็นว่าสมาธิคือรูปฌานและอรูปฌานนี้ก็เป็นตายรักเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันให้ความสุขแบบชั่วคราวเวลาใจเข้าเข้ารูปฌานก็มีความสุข เวลาไม่ได้เข้าออกจากมาออกจากรูปประชานมาเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นวิธีที่จะทาให้เราไม่ทุกข์เลยก็คือเราต้องไม่ไปอาศัยรูปประชานและรูปประชานให้ความสุขกับเราทุกครั้งที่อยากจะเข้าฌานก็ไม่เข้าฝืนทำใจให้นิ่งใช้ปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ปล่อยวางปล่อยให้จิตมันอยู่แบบไม่ต้องมีรูปประชาไม่ต้องมีอรูปประชาญก็ได้ พอจิตพอจิตสามารถตัดความอยากในรูปประชานเรือรูปประชานได้หมดสิ้นไปความอยากที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจก็หมดไปใจก็อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องใช้ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขไม่ต้องอาศัยรูปประชานารูปประชานมาให้ความสุขถ้าใจไม่มีความอยากทั้งสามอยู่ในใจอยู่แล้วใจจะสงบแบบธรรมชาติของมัน ความสงบแบบธรรมชาตินี้ที่เราเรียกวันนิพพานเป็นความสงบที่ถาวรที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเพราะตัวที่มาทำให้มันเสื่อมมันหายไปก็คือความอยากทั้งสามการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอเรากำจัดหรือหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วใจของเราก็จะสงบแบบธรรมชาติเป็นแบบอัตโนมัติไม่ต้องทาอะไร ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องทำอะไรมันจะสงบของมันไปตลอดนี่แหละคือดิพานคือใจที่ออกจากไตรภพ ใจที่ไม่มีความอยากในตายพบก็คือไม่มีความอยากจะเสพรูปกามะตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาแล้วใจก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายมันก็ไม่มีความทุกข์แต่ถ้ายังมีการกลับมาเกิดอยู่มันก็ต้องเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะมาเกิดร่ำรวยแล้วยากจนมันก็ต้องเจอความทุกข์เหมือนกัน ดัะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คืออย่ามาเกิดดีกว่าด้วยการละความอยากทั้งสามละความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดละความอยากเสบรูปประชานและละความอยากเสบรูปรูปประชานพอละความอยากทั้งสามนี้ได้หมดแล้ว ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขแบบบรมมะสุขที่พระพุทธเจ้าลงตรัสว่านิบานังปรมังสุขขงังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนี่คือเรื่องของอธรรมะที่พวกเราเข้าหาเข้าศึกษากันซึ่งเปรียบเหมือนกับเป็นการดูกระจกในหน้าในเพื่อจะดูตัวจริงแท้จริงของเราว่าเราเป็นใคร ว่เาเราเป็นร่างกายหรือเราเป็นดวงวิญญาณกันแนะ่ความจริงเราเป็นดวงวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่ที่ต้องมาติดกับร่างกายก็เพราะว่าดวงใจหรือดวงจิตดวงวิญญาณตัวนี้ยังมีความอยากยังอยากยังอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ยังอยากเสบรูปประชานอยู่ยังอยากเสบรูปรูปประชานอยู่เลยทําให้เวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ก็จะต้อง กลับมาหาร่างกายมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่อเรื่อยๆแล้วจะเกิดและทุกครั้งที่เกิดก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนนะถ้าไม่อยากที่จะเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องมีต้องรอให้เจอพระพุทธเจ้าหรือเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเจอพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีแก้ปัญหาการเวียนว่ายตายเกิดของเราว่า ต้องมาหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะสามารถยุติความอยากทั้งสามได้และเราก็จะได้พบกับความสุขที่ประเสริฐที่เลิศที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายกำลังสัมผัสกันอยู่ในขณะนี้ นี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและเรื่องราวของพวกเราทุกคนที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทวาลฤวาหาปุราปาริปุรเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินางเตตานังอุปการปติ อิชิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสนิชัตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพโรโควินสศตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวา อพิวาทานาศสีลิตสนิจังวุธาปจายโนจตรารโธรมมวาทานทิอายุวโนโอสุขังภาลางช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ จะถามเองก็ได้เนื้อเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาถามก็ได้อันมีผู้มีมือถือก็จะส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กรา บ, บยินดพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนากูจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ447ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 253 YouTube ด r V 59วิทยุ8คลับ House 8นากู105รวมทั้งหมด880ท่านค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังนากูค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันอยากเกิดเป็นชาติสุดท้ายโดยสงสัยว่าความอยากเกิดเป็นชาติสุดท้ายถือเป็นความอยากชนิดหนึ่งที่ทำให้ติดในไตรภูมิหรือไโชครับไม่หรอกเพราะว่าความอยากออกมันไม่ใช่อยากเข้าอยากอยู่ความอยากออกนี่เป็นมรรคเป็นทางออกถ้าไม่มีความอยากออกก็มันก็จะไม่ได้ปฏิบัติเห็นถ้าอยากออกแล้วก็ต้องปฏิบัติคือปฏิบัติทานสิงภาวนา แล้วก็จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายลักษณ์ในตายภพนี้ได้คําถามจากทาง facebook ค่ะมีอยู่สามคำถามค่ะคําถามแรกเวลานั่งสมาธิหากรู้สึกปวดหรือคันให้เอาจิตไปวางให้เอาจิตไปไว้ที่การปวดหรือคันหรือไม่ต้องสนใจมันจดจ่อที่คําภาวนาอย่างเดียวคะควรจะอยู่ที่คําภาวนาอย่างเดียว ไม่ต้องสนใจกับอะไรต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรากำลังทำสมาธิให้มีสติอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าเราดูลมก็ดูลมไปถ้าเราออกจากจุดนั้นไปแล้วใจเราจะไม่มีกาลังเราจะทนไม่ไหวเดี๋ยวก็นั่งไม่ได้นั่งต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นให้อยู่กับพุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธ ถ้าดูลมก็ได้อยู่กับลมไปอย่างเดียวค่ะข้อที่สองเราควรจับเวลาในการนั่งสมาธิหรือไม่หรือให้นั่งจนกว่าจะทนไม่ไหวคะเราควรจับสตินะสติเป็นตัวที่จะทำให้เราได้ผลจากการปฏิบัติเวลานาฬิกานี้มันจะทำให้เราไม่ค่อยได้ผลเพราะเราจะพกโผวนกับเวลาเอานาอย่าไปสนใจกับเวลาถ้าเราปฏิบัตินี้ควรจะมีเวลาเผื่อไว้มากๆ ไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องไปทํานูน่ทนทํานี่นั่งไปให้มีสติอยู่กับกับกับกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ถ้าเรามีสติแล้วพอจิตสงบแล้วมันนั่งได้นานเวลาผ่านไปแบบไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเรามาคอยตั้งเวลานี้มันก็จะทําให้ใจเราไม่มีสติอยู่กับการภาวนาจะมีจะจะมีสติอยู่กับ กับเวลาถึงเวลาแล้วยังถึงเวลาแล้วยังพกิเลสมันไม่ชอบนั่งมันก็จะดึงให้เราไปคิดถึงเวลาแล้วก็กังวลบางทีเวลาเนาก็ต้องไปเปิดตาดูอย่างนี้พอเปิดตาดูแล้วก็เสียสมาธิแล้วอย่าไปสนใจกับเวลาให้รู้เวลาเข้าค้าวว่ า, เ, าเรามีช่วงนี้เรามีเวลาแล้วเราก็พยายามนั่งไปนั่งได้นานถ้าไหลก็นั่งไปถ้ามีสติจะนั่งได้นาน ถ้าไม่มีสตินั่งได้เดี๋ยวเดียวก็นั่งทนไม่ไหวนะวิธีที่จะนั่งให้ได้นานก็ต้องฝึกสติมาก่อนนั่งด้วยอย่ามาฝึกสติตอนที่เรานั่งเพียงอย่างเดียวต้องฝึกทั้งวันเลยถ้าเป็นไปได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือผูกใจไว้กับร่างกายให้ให้ใจอยู่กับการกระทาของร่างกายในทุกอิริยาบถ ท, ทุกการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้ใจรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือวิธีฝึกสติเพื่อมานั่งสมาธิที่จะได้ผลดีถ้าเราไม่ฝึกสติมาก่อนเวลาเรามานั่งสมาธินี้บางทีนั่งได้ห้านาทีก็อยากจะลุกแล้วเพราะมันไม่นิ่งมันไม่สงบมันลาคาญเพราะใจมันไม่หยุดคิดใจมันอยากจะไปทําอย่างอื่น ข้อที่สค่ะบางครั้งเวลานั่งจะมีข้อธรรมะพุทธขึ้นมาในใจควรพิจารณาหรือไม่หรือให้ปล่อยไปแล้วจดจ่ออยู่กับคำภาวนาแทนคะอย่างที่บอกเริ่มต้นอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นถ้ า, าทำสมาธิให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราไม่ว่าจะเป็นพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกคำถามสักั้งย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะ เวลาลูกเอาอาหารหรือน้ำให้สัตว์จรจัดที่เข้ามาขอกินใจลูกรู้สึกมีความสุขที่ช่วยพวกเขาให้อิ่มท้องบุญนี้จะเท่ากับบุญที่ใส่บาตรพระไหมเจ้าคะก็ขึ อ, อ, อยู่กับว่ามันมากน้อยถ้ามันอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละของเราถ้ามันเท่ากันก็บุญก็เท่ากันถ้าเราเสียเงินร้อยเพื่อเลี้ยงหมากับเสียเงินร้อยเพื่อซื้ออาหารใสบาตรมันก็ได้บุญเท่ากัน มันไม่ได้อยู่ที่คนที่รับว่าเป็นใครมันอยู่ที่จำนวนของการเสียสละของเราว่าเราเสียสละเท่าไหร่เสียสละร้อยหนึ่งเราก็ได้บุญร้อยหนึ่งเสียสละพันหนึ่งเราก็ได้บุญพันหนึ่งไม่ว่าจะทำกับใครก็ตามทำกับพระก็ได้ทำกับสุนทรจรจัดก็ได้มีคาถามให้หลวงพ่าถามก่อนขอโอกาสเจ้าค่ะก็ คือวันนี้ที่ที่ท่านเทศใช่ไหมคะท่านเทศเรื่องการมาพการบางคุยนัขอขอ ข, ข, ขอโทษเจ้าค่ะก็เรื่องกามาพบใช่ไหมคะ ก, ก็อยากจะสอบถามว่าแม้เราว่าจะรู้ว่าอา น, นิจังเนี้ยค่ะมันมันมากับกมันมาจากพวกกามใช่ไหมคะมันมันเป็นแพ็กเกจเลยก็คืออา น, นิจังทุกขังอนันตาเนี้่ค่ะแล้วทําไมอ โยมนี่โยมสอนตัวเองนะเจ้าค่ะว่าทำไมทุกขังคือเป็นทุกมันมันมันเป็นสิ่งที่แค่กำหนดรู้ทำไมมันไม่มันไม่ป้องกันหรือมันไม่มันไม่ป้องกันไม่ให้เราไปเสพกามอิบแต่ปรากฏว่าทุกมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวที่ อยากจะสามารถทำให้เราหลุดได้ทำไมทุกมันเป็นแค่ตัวกำหนดรู้คะทุกมันเกิดจากความอยากอยากเสพแล้วพอมันไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์ต้องหยุดความอยากวิธีหยุดความอยากก็ให้เห็นว่าสิ่งที่เราไปเสพมันเป็นของไม่ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเสพเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วพอแล้วไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์ แต่ว่าอยู่ความอยากนี้ต้องใช้มาร์กอย่างเดียวเลยทุกเป็นแค่กําหนดรู้ใช่ต้องไปให้ปัญญาธนญกรรมจัดความอยากได้ถ้าใช้สมาธิหรือสติมันก็เพียงแต่กดเอาไว้เฉยๆชั่วคราวก็คือทุกนี้กําหนดรู้เพื่อเพื่อจะไปใช้สติแล้วก็สมาธิแต่ว่าถ้ากําหนดทุกอย่างเดียวนี้ก็จึงอยู่ความอยากไม่ได้ต้องรู้ว่าทุกนี้ที่กำลังเกิดนี่มันอะไรเป็นเหตุที่ทําให้มันเกิดเหตุที่ทําให้มันเกิดก็คือความอยาก ถ้าต้องการให้ทุกนี้ดับไปก็ต้องไปหยุดที่ความอยากก็คืออันนี้ก็ยังงงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอไปทําสติก็คือก็คือต้องรู้สมูทไทยแต่ก็คือไปหยุดความอยากเลยโดยใช้มัรกเลยอันนี้โยมวนไปหรือเปล่าคะฟังก่อนก็ได้ค่ะคือความทุกข์ก็คือสิ่งที่เวลาที่เรามีความไม่มีความสุขเนี่ยเวลานั้นก็ทุกข์แล้ว อยู่เฉยๆนี่ก็ทุกได้แล้วเราต้องรู้ว่าเอะตอนนี้เราทาไมอยู่เฉยๆแล้วไม่เป็นสุขถ้าเราไม่เป็นสุขก็แสดงว่าเราทุกข์ถ้าเราทุกข์เราก็ต้องถามตัวเองว่าเราทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากอยากได้อะไรหรืออยากไปไหนอยากจะทำอะไร ห, หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหรอมันมันเป็นความทุกข์ของเราที่เกิดจากความอยากของเรา ถ้าเรานั่งสมาธิเวลาใจนิง่งสงบเรามีความสุขตอนนั้นความอยากไม่มีเราจึงไม่มีความทุกข์เบื้องต้นถ้าเราอยากจะไม่รู้เราไม่รู้สาเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากชนิดไหนเราก็ใช้สมาธิหยุดมันชั่วคราวก่อน mm hmm. แล้วพอเราออกจากสมาธิมาเราอาจจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อกี้เราเราไม่สุขเพราะอะไรเรา เราอยากจะไปหาคนนั้นหาคนนี้หรือเปล่าอยากจะไปซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่าหรืออยากจะให้ชีวิตของเรามีแต่เรื่องดีๆไม่อยากจะเจอแต่เรื่องไม่ดีหรือเปล่าอะไรแล้วแต่เราต้องนั่งวิเคราะห์ดูถามตัวเราเองอยู่แต่ต้องไปเข้าสมาธิก่อนเพื่อให้มีกําลัง อ, อถ้ามีสมาธิแล้วใจมันจะหายทุกข์แล้วมันก็ได้มานั่งคิดได้ทําช่วงนี้มันทุกข์มันคิดไม่ออก ข้อสองก็คืออันนี้มาจากเมื่อเช้าหลายวันแล้วโยมฟังบทของท่านาท่านอาจารย์สิงห์ทองนะคะท่านก็พูดเรื่องนี้ซึ่งก็ไปตรงกับท่านที่เรื่องอเรื่องเรื่องสุขที่เกิดจากการสงบอะคะ่ะ ท่านบอกว่าที่มันสงบก็เพราะว่าเราไม่ไปยึดก็มันลิงกับข้อแร ก, กคือเราไม่ได้ไปยึดกับสิ่งที่มันเข้ากฎเกณฑ์อนิจจังทุกขังก็คือเราตีเข้าไปที่ความสงบเลยท่านบอกว่าเหตุผลที่มันสุขก็เพราะว่าจริงๆก็คือเราไม่ไปหาความสุขจากสิ่งที่มันมันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ถูกหมคะก็เปนแล้วแต่ว่าเราเราหยุดแบบไหนเหยุดแบบปัญญาหรือหยุดแบบสติแบบสมาธิ หยุดแบบสมาธิมันก็หยุดเพียงแต่กดมันไว้ถ้าหยุดปัญญามันก็จะเห็นว่ามันสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขค่ะอันนี้ฟังไว้ก่อนขอบคุณเจ้าค่ะคำถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะ กระผมได้ฝึกปฏิบัติบูชาตามที่พระอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนอย่างเข้งคัดตื่นตีสี่สวดมนต์ทำวัดเช้าต่อได้นั่งสมาธิทุกวันจนถึงหกโมงแล้วไปใส่บาตรปล่อยปลาทำทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วแล้วจึงไปทำงานแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะทำเช่นเดียวกันแต่จะทำเพิ่มในตอนกลางวันปัญหาที่เกิดขึ้นคือม่วงเหงาหานอนและสับประงกไม่สามารถทำได้เนื่องจากร่างกายอ่อนเพลีย ผมจึงคิดว่าต้องนอนพักสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วค่อยปฏิบัติต่อพอมาปฏิบัติต่อร่างกายสดชื่นทําได้ยาวหลายชั่วโมงกระผมเรียนสอบถามว่าสิ่งที่ผมทํานี้เป็นกิเลสนิวรหรือเปล่าครับหรือเป็นมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางครับคือร่างกายนี้มันก็บางทีมันก็ต้องพักผ่อนแต่มันพักผ่อนไม่พอมันก็ต้องง่วงนอนมันแสดงอาการว่ามันต้องการพัก ถ้ามันเป็นเรื่องของความขาดการพักผ่อนของร่างกายเราก็ต้องเราก็ต้องพักผ่อนแต่ถ้าเราพักผ่อนพอมาแล้วลุกขึ้นมาเรายังอยากจะนอนอีกอย่างง่วงอีกแสดงว่ามันเป็นอาการของกิเลสเราก็ต้องฝื้นอย่าไปทําตามมันยังต้องดูว่าพิจารณาดูว่าร่างกายเราได้พักผ่อนพอเพียงหรือไม่สำหรับพระพุทธเจ้าสอนพระนี้สำหรับพระนี่คือ น, นึงให้นอนแค่สี่ชั่วโมงก็พอสำหรับพักผ่อนร่างกาย กลางวันอาจจะพักอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้วันหนึ่งก็ถ้าเป็นพระเป็นนักบวชนี่วันหนึ่งร่างกายได้พักผ่อนห้าชั่วโมงก็พอเพียงถ้ามันมากกว่านั้นก็แสดงว่าถ้ามันต้องการมากกว่านั้นก็แสดงว่ามันกิเลสส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรากินมากเกินไปเวลากินบ้างร่างกายมันอิ่มมันก็จะง่วงเป็นราก็ต้องผ่อนอาหารกินให้น้อยกินแค่สองมือ้อแล้วกินแค่มื้อเดียว มันก็จะแก้ความร่วงได้คําถามสักทาง youtube อกรฟีค่ะครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้ถือศีลห้าหรือถือถือแค่ศีลห้าถือศีลแปดเป็นบางค่ะบอกให้ถือศีลห้าให้ถือศีลแปดเป็นครั้งคราวแต่พอถือศีลห้าจะชอบนอนเล่นบนเตียงกินจุกกินจิกเล่นโทรศัพท์จึงไม่รู้ควรปฏิบัติอย่างไรก็ คือถ้าเราต้องการปฏิบัติศิลแปดมันดีกว่าสีญห้าเพราะศิลแปดมันห้าไม่ให้เราไปเสบรูปสิงกลิ่นลดนั่นเองทร้งนี้ก็อยู่ที่ว่าเรามีกำลังที่จะรักษาศิลแปดได้มากน้อยน้อยหถ้าได้รักษาสิญแปดได้ก็ดีกว่ารักษาสิห้าคำถามจากทางย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะ หมอที่วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้จะเป็นกรรมที่ผิดศีลวจีกรรมไหมคะเพราะบางทีกระทบความรู้สึกผู้ป่วยคะ่ะคือถ้าพูดตามความเป็นจริงมันก็ไม่ผิดศีลนะถ้าเป็นมะเร็งก็บอกว่าเป็นมะเร็งถ้าเป็นเบาหวานก็บอกว่าเป็นเบาหวานอย่างนี้มันก็ไม่ผิดศีลตรงไหน ค, คาถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติคะ่ะ เวลาภาวนาที่บ้านเปิดทีวีเสียงละครเสียงคนทะเลาะกันทำให้ปวดหูหงุดหงิดใจจะต้องทำอย่างไรคะไปอยู่วัดสิไปหาที่เขาไม่มีเสียงเหล่านี้นอยู่หรือถ้าอยู่บ้านก็ติดแอร์แล้วก็ปิดประตูปิดหน้าต่างไม่ทำเป็นห้องเก็บเสียงไม่รับรู้เสียงข้างนอกหรือถ้าทำไม่ได้ก็หาอะไรมาอุดหูก็ได้อะไรที่เราใช้เป็นหูฟังนะโ เเเอาาามมดันกก็รรสสียงข้้หูไพควรคำถามจากทาง YouTube ค่ะทานศีลสมาธิปัญญาไปตามลำดับเวลาเห็นทุกใช้ปัญญาพิจารณากว่าใจจะยอมรับได้แต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วความทุกข์มีมากมายต้องพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยหรอครับคือมันต้องปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะสมาธินี่เป็นตัวสำคัญถ้าสมาธิมีน้อยกำลังที่จะใช้ปัญญาเพื่อหยุดความอยากมันก็จะมีน้อยเห็นต้องฝึกสมาธิให้มากเมื่อมีสมาธิแล้วเราก็จะมีกำลังมาพิจารณาทางปัญญาแล้วใช้ปัญญาดับความอยากต่างๆได้มากขึ้นถามเองเลยก็ได้มั้งถามเองเลยก็ได้ได้ อยากสอบถามท่านพระอาจารย์นะคะการที่เราอยากมีสติปัญญาดีอย่างเงี้ยค่ะถือว่ามันเป็นความอยากที่ดีหรือว่ามันเป็นกิเลสอะคะเป็นความอยากที่ดีไม่ใช่เป็นกิเลสความอยากมีสองอย่างความอยากที่ไม่ดีความอยากที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปหาความทุกข์ความอยากที่ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เป็นความอยากที่ดีท่นอยากทําบุญทําทานอยากรักษาศีลอยากภาวนาอันนี้เป็นความอยากที่ดี ค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นความอยากที่ดีแต่เราอาจจะชักชวนผู้คนมาแล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะขจัดกิเลสไม่ใช่หน้า<ะ>ที่ของเราไปชวนคนอื่นนอกจากว่าเขาบอกล่วงหน้าก่อนว่าถ้าจะไปทำอะไรจะชวนเขาด้วยแล้วก็บอกเขาได้ถ้าอยู่ดีๆไม่ต้องไปชวนเขาหรอกหรือ เ, เขาหาว่าเสีย ขา อ, อีกคําถามนะคะสมมุติถ้ามันเป็นความอยากที่ดีอย่างเงี้ยแต่พอเราจะอ่านหนังสือหรือจะฝึกฝนตัวเองให้มีสติปัญญาดีอย่างเงี้ยคะ่ะเรามัอาจจะมีโมเมน ต, ต์ของความขี้เกียจขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะขจัดยังไงคะ่ะได้บ้างคะก็ลองใช้ความขยันเลยความขยันอ่มันขี้เกียจแล้วก็ต้อาความขยันสู้มันอ๋อค่ะได้ขอบคุณค่ะ ต้องพยายามมันขี้เกียจก็ต้องพยายามฝืนพยายามอ่านพยายามทําในสิ่งที่เร า, าต้า น, านมันสู้ใช่อย่าไปตามใจมันพ อ, อที่เกียจก็นอนเลยเนี่ตามใจมันเอพอไมนขี้เกี ย, กนนยจว่าขออ่านสักครึ่งชั่วโมองอะ่ะอันนี้ก็ต่อรองกันมันหน่อยก็ยังดีอยังไม่มีคําถามเลยโอเคมีใครอยากจะถามอยู่ไหม